เป็นยังไบ้างวันเดียวอ่าเพิ่มเติมต่อกันจากที่เราได้สาธยายพระสูตร์ตาสอนผู้เจ้าในการแสดงไว้านานแล้วเราเอามาสาธยาย ลำดับลำนำเอามาสอนตัวเรานอกจากนั้นเราก็สอนตัวเราเองเอาคำสอนพระเจ้ามาเป็นเรื่องของเราเอาการตัดสู่ของพระเจ้ามาเป็นเรื่องของเราแล้วเราก็เป็นหมูชนเป็นหมูชน ผู้เชื่อฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ามารวมกันปฏิบัติตามธรรมวินัยปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยเรียกว่าหมู่สงฆ์หมู่สงฆขะหมู่สงฆ์หมู่สงฆะไม่มีการ เบียเบียนตัวเองไม่มีการเบียดเวียนคนอื่นสิ่งอื่นวัตถุอื่นต่างคนต่างแแคไขเวลามันหลงรู้ให้ของหลงไปไกลของหลงเป็นต้นเหตุแห่งอกุศลเราจะพูดผิดคิดผิดทําผิดตอนมันหลงเกิดขึ้นรู้เปลี่ยนหลงเป็นรู้ตัดไปเสียต้นลม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 ตาเนื้อไม่เห็นตาในคือสติจะเห็นมันหลงจะได้เห็นหลงได้เปลี่ยนหลงเป็นรู้ระหว่างความรู้ ก, กับความหลงมันต่างกันอยู่ให้เราได้ส่อผัดเดาเอาหลงก็ตัวเองรู้เวลาเปลี่ยนหลงก็ตัวเองทำตัวเองปฏิบัติด้วยตนเองเปลี่ยนได้อยู่ มันจะหลงพายเกิดโกรธเกิดทุกข์เกิดกิเลสตัณหาก็ยิ่งเปลี่ยนได้เห็นเข้าทางมันถ้าเห็นเ้วก็เป็นมรรคถ้าเห็นแล้วไม่เป็น ก, ก็เป็นผลเป็นมรรคเป็นผลไปในตัวแล้วก็เป็นเพื่อนกันตรงนี้ตามมาเดียวกัน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 เป็นการประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหมดคือพรหมจรรย์เราจะมาฝึกฝนตนเองสอนตนเองเตือนตนเองแก้ไขตนเองบันฑิตต้องฝึกตนช่างดัดลูกศรก็ดัดลูกศรช่างถาก็ย่อมถากแต่บางทีดัดแล้วมันคุดขึ้นมาอีกก็ดัดใหม่ จนมันอยู่ที่หนึ่งหลงที่หนึ่งรู้ที่ก็จะไม่พอหลงลอยข้างบนหนนรู้ ล, ลอยข้างบนหนอนแต่จะแต่จะได้ได้เหลี่ยมได้ลายขึ้นมาง่ายๆที่แรกอาจจะทวนกระแสเวลาวันโกรธเปลี่ยนความโกรความไม่โกรธอาจจะทวนกระแสสักหน่อย แลาวมันทุกข์เปลี่ยนไ่ทุกข์ให้ลูกสึกตัวอาจจะทวนกระแสเหมือนขี่รถขึ้นมมกับจักรยานขึ้นมมที่มันสูงได้ว่าทวนขึ้นไปพอมาขึ้นแล้วมันก็สบายมันมีสิ่งที่ทำได้อยู่มันหลงเปลี่ยนหลงไปไม่หลงมันทำได้อยู่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 ความมงเหงาหอนความลังเลสงสายกวามคิดพุ่งซ่อนพยายาบาทเกิดขึ้นในกายในใจเหล่านี้ถ้าเห็นสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าไปเช่นเดียว ก, กันกับพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็เปลี่ยนตรงนี้เวลามันง่วงมีเหมือนกันทุกคน เวลามันคิดฟุ้งซ่านมีเหมือนกันเวลามันลังเลสงสัยมีเหมือนกันเวลาเกิดลาค้าโทสับพยบาทเกิดขึ้นก็นมีเหมือนกันต่างคนต่างจุ่มปเปอะเพื่อนมาพก็สีทศ ธ, ธาก่อนที่จะไม่เป็นพระเจ้าก็มีลูกลาหุ่นมีเออเมียคือพิมพา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 นว่าฐานอยู่นี่ตั้งไวน้นี่ไปแล้วกลับมาปฏิบัติคือไปแล้วกลับมาปฏิบัติคือโต้ตอบทักท้วงอย่าค่อยตามตอันใดที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจให้กลับมามีสติตั้งไวน้นี่เอากายเป็นที่ตั้งเจริากายานุปจนนาเห็นกายเป็นที่ตั้งอยู่เสมอ ตามรูปแบบของกรรมฐ า, านดังที่เราทําอยู่หลักของงานสติปัฏฐานสูตรเป็นสูตรเอกทางเส้นหนึ่งทางเส้นเดียวในโลกที่เข้าสู่มอกสู่ผลเดินคนเดียวไปถึงที่เดียวกันไอเดินตรง น, นี้ก็เห็นเหมือนกันหมดเท่ากันหมด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 โดยอยากช่วยคนอื่นมันทำได้อยู่ทำได้อยู่มาตรงนี้มาตรงนี้มาทางนี้เหมือนชวนกันเป็นเพื่อนกันเรี้ยวกันเลยยนมิตรจะหายเป็นทั้งหมดของพมาจานทร์จะบริสุทธิ์พมจันทร์คือบอริสุทธิ์พืพชพมจันทร์บริสุทธิ์ไม่ไปเปิดไปเพื่อนไปเกิดสุขไม่ไปเปิดไ ป, เ, ปเพื่อนก็นกปทุกข์ ความพอใจความไม่พอใจไม่เปิดเพื่อนมิจะเห็นถ้าเห็นเราไม่เปิดเพื่อนถ้าเป็นลรเปิดเพื่อนเป็นสุขเปิดเพื่อนความสุขเป็นทุกข์เปิดเพื่อนความทุกข์เป็นความพอใจเปิดเพื่อนความพอใจเป็นความไม่พอใจคือเปิดเพื่อนความไม่พอใจนี่ว่าโลกรถของโลกสัตว์โลกต้องติดอยู่แบบนี้เราจึงมา เป็นพรมอาจารย์รู้เหมือนกับรู้ที่หนังมันกับล่างออกเล้วมันหลงรู้ล่างหลงออกมันทุกข์รู้ล่างทุกข์ออกมันโกรธรู้ล่างโกรธออกมันพอใจมันไม่พอใจรู้ล่างความพอใจเขาไม่พอใจออกอย่างครูเจ้าแสดงไว้การคู่เขียนเข้าการเหยี่อฉันออกวิสติ มันเดินไปข้างหน้าด้วยสติตอนความพอใจแล้วความไม่พอใจในโลกออกเสียได้มีสติแล้วแลืออยู่นี่เรีบกว่าเดินมันพ้นจากอะไรเมื่อมีความรู้สึกตั ว, ตวมันก็พ้นจากความหลงเมื่อมีความรู้สึกตัวมันก็พ้นจากมันก็ไม่ทําชั่วมันไปแล้ว ยิ่งเวลามันหลงในลูกสมน้ำหน้าความหลงเห็นชัดเจนเปลี่ยนหลงเป็นลูกมันมีความมั่นใจมันถูกต้องที่สุดเวลามันหลงเปลี่ยนหลงเป็นลูกเป็นความถูกต้องที่สุดมันมีความเยืยบเยียบเฉยใสมันทำมันสิ่งที่เป็นถูกต้อ ง, งถ้ามันมีหลงถ้ามันมีทุกก็ยิ่งดี สมผัติกบความทุกข์สมผัตกับความไม่ทุกข์มันต่างกันอยู่ตัดชี้ใจได้เลือกได้ปฏิบัติได้ไว้นี่มันหลงมันทุกข์วันนี่มันไม่หลงมันไม่ทุกข์มันก็พ้นอย่างจริงหรือว่ามีมูดท้นน้อยๆไปรวมหลงหมดไปพ้นจากความหลงไปแล้วความทุกข์หมดไปพ้นจากความทุกข์ไปแล้ว ก็เลยไกอยากข้าศึกผู้ที่ไก่อยากข่าศึกหรือว่าอาริยะอลิไว่าข้าศึกยะไปว่าพ้นไปพ้นไปอยากฆาศึกจนไม่มีไัยแล้วก็เดินจากนี้แหละข้าวแรกเคอเปลี่ยนหลงเป็นลูกเป็นข้าวแรก ถ้าเปลี่นลงเป็นลู่ได้โกรธก็เปลี่ยนง่ายทุกก็เปลี่ยนง่ายเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแต่พื้นเถอพื้ไปก็เหนือการเกิดเจ็เจบตายโน่นไปถึงนู่นแล้วเลยง่ายถ้าไม่เปลี่ยนหลงมันก็ยากเหมือนจริ้งโคกขึ้นเขาถ้าเปลี่ยนหลงเป็นลู่เหมือนจิ้งโุกหลงเขาง่ายต่อไป <c oughs> นั้นเป็นอย่างนี้ทางมันไปนอย่างนี้ เรียว่ามักมักคือดูมักคือเห็นเห็นแล้วไม่เป็นมักเป็นเหตุพุทเป็นผลเห็นเป็นมักไม่เป็นเป็นผลเนี่ะมันเป็นมักเป็นผลไปอย่างเนี้ยจริงที่เราทำอยู่เนี้ยไม่ใช่ปรีไม่ใช่ไม่มีสาระมีสาระอยู่ มันจะออกมาเป็นสูตรสูตรกุศลสูตรอกกุศลกุศลคือความฉลาดอากุศลคือความงู้ความหลงเปลี่ยนความหลงเป็นความฉลาดเปลี่ยนปัญหาเป็นปัญญามันเป็นไปได้อย่างนี้มันจึงเลื่อนถัดได้จากคนมาเป็นมนุษย์ จาก <Yeah. S 1> ความเป็นมนุษย์มาเป็นพระได้คนมันปนกันชุกก็เอาทุกก็เอามนุษย์มันไม่ปนมันเห็นสุกเห็นทุกสุกเป็นบวกทุกเป็นลบรวมบวกลบไม่มีอยู่ตรงกลางเรียกว่า มันก็ไม่เปื้เปื้อนมันเป็นผลมันเลยไม่สัมไม่กระทุบ ก, กระทือนเวลาสัมผัสสุขทุกข์เปนกระทุบ ก, กระทือบแต่ก่อนโล่กระทุบ ก, กระทือนสุข ก, ก็ดีใจไปเลยทุกข์ก็เสียใจไปเลยมาถึงใจวันนี้สุขทุกข์ที่มันเห็นเนี่ยมันไม่มาถึงเป็นการ เป็นอาการธรรมดายิ่งเรามาปฏิบัติแบบนี้เป็นมีสูตรสูตรได้ว่าอารมณ์เห็นรูปทำนามธรรมแต่ก่อนเห็นกายเป็นกายเป็นใจถ้าเห็นกายเห็นใจธรรมดามันเป็นสุขเป็นทุกข์ได้ง่ายสุขก็เป็นสุขทุกข์เป็นทุกข์ถ้าเห็นเป็นรูปธรรมเป็นลามธรรมมันสุขไม่ต้องเรียกว่าสุขทุกข์ม่ต้องเรียกว่าทุกข์เป็นอาการ ไม่ใช่สุกไม่ใช่ทุกข์ความร้อนไม่ใช่ความร้อนความหนาวไม่ใช่ความหนาวความหิวไม่ใช่ความหิวความปวดความเมื่อยไม่ใช่ความปวดความเมื่อยเป็นอาการของรูปเป็นอาการของนามไม่ใช่ตัวใช่ตนเบากรัวเป็นแต่ก่อนเป็นกายเป็นใจมันมันอะไรไปเป็นรุ่นเป็นก้นไม่มีสิ่งรองรับไม่มีฐานไม่มีก่อบังเกอร์ เหมือนเรานอนไม่ไม่มุ่งคนที่มีอารมณ์ได้หลักแล้วมานอนในมุ่งฟังเสียงยุงมันบินคนที่มีความรู้เห็นตามความเพียงเหมือนมีล่มในมือเวลาฝนตกกลางล้มเวลาแดดออกกลางล้มถ้าเห็นรูปเห็นนามมักจะไม่มีโลชาติ แต่ก่อนความทุกข์มีรสชาติความสุขมีรสชาติความโกรธมีรสชาติพอไม่เห็นรูปทำเห็นนามทำมันสุขไม่มีรสทุกข์ไม่มีรสอะไรที่เจ็บปวดไม่มีรสหิวไม่มีรสมันสักแต่ว่าไปเสียแล้ว กายสัจตวากายเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์สัจตวเวทนาจิตที่บันทิตก็สักว่าจิตแต่ก่อนเป็นากายเป็นใจนี่อะไรก็ออกมาเป็นตัวเป็นตนได้ง่ายเป็นสุขเความคิดก็มีเป็นทุกข์ระความคิดก็มีทั้งท่านี้ไม่มีตัวเป็นตนคิดเกิดมามตาไหลก็มีคิดเกิดมาโลโกรธนอนไม่หลับก็มี ถ้าเห็นปรรหเป็นรูปทำเห็นเป็นนามธรรมมันเป็นอาการที่เกิดกับจิตอันความคิดไม่ใช่จิ ต, ตเรยกว่าเจตสิกนันมีสัญญาเหมือนโทรศัพท์ดังติต๊ตติต๊ตติ๊ตติญตญติตุเหมือนตติ๊ตติ๊ตติ๊ตติ๊ตติ๊ตติ๊ตติ๊ตติ๊ตติ๊ตติ๊ตติ๊ตติ๊ตติ๊ัติ๊ตกิ๊ติ๊ตติ๊ตติ๊ตติ๊ตติ๊ตติ๊ตติติ คือความคิดมันคิดเป็นหรือว่าน้มมาทมคิดแล้วมันมีวิญญาณมารู้อะไรได้นั้นไปไกลเกิดจากความคิดเกิดไปถึงสุขถึงทุกข์ถึงรอดถึงโกรธรูปหลงกิเลสตัณหาได้เกิดจากความคิดเราไม่ไม่เห็นพอมาเห็นเป็นรูปทำเห็นเป็นน้ำทมมันก็มันก็บอก นี่มันเป็นอาการความโกรธเป็นอาการของนามความทุกข์เป็นอาการของนามความเจ็บความปวดความเม้ยความร้อนความหนาวเป็นอาการของลูกความทุกข์ความโกรธควาโลภความหลงเป็นอาการของนามมันมีได้อย่างนี้มันจึงไรบรรลุธรรมถ้ามันไม่รู้อะไรที่รูกที่นามไม่มันก็บรรลุธรรมไม่ได้ มือนเราไม่ไม่มีวิญญาณกายของเรามันมันมันด่าแต่ไม่รู้จะเก็บเอาไฟไปจุดก็ไม่เจ็บเอามีดมาฉีดก็ไม่เจ็บอันตรายถ้ามันโลนเป็นเรื่าดีแล้วมันหนาวเป็นดีแล้วมันหิวเป็นดีแล้วมันเจ็บปวดเป็นเรื่าดีแล้วมันจอได้ช่วยมันมันจึงอยู่ได้ ไม่เชื่อมาเป็นสุคไม่เชื่อมาเป็นทุกข์มันก็เกิดปัญญาขึ้นมาพอเห็นรูปเห็นดามมันเป็นอย่างนี้จากความสุขมาเป็นปัญญาจากความทุกข์เป็นปัญญาตื่นอย่างนี้มันเป็นวัตถุมันเป็นดอาการนี่เกิดขึ้นได้ในรูปในนามนี้ในรูปนี้มันก็เป็น กนทุกข์ก้อนหนึ่งแนน้ำก็เป็นก้นทุกข์ก้อนหนึ่งแต่ก่อนไม่รู้จกช่วยพอมายเห็นแล้วรู้จกช่วยกระตือนลอโล้นช่วยลูกจึงใดที่เป็นทุกข์ไม่เกิดเลยจึงใดที่เป็นทุกข์แก่ลูกไม่เกิดขึ้นจึงไหนที่เป็นทุกข์แก่น้ำมไม่เกิดขึ้นให้มีปัญญาความโกรธไม่จริงความไม่โกรธเป็นจริงความโกรธเป็นสมมุติ ผมไม่โกรธเป็นปรอมตืดมันจริงกัวกันคผมโกรธไม่เป็นธรรม่าไม่โกรธเป็นธรรมก่ามันก็เกิดความธรรมแย่รูปเแย่นามพอลงมาเห็นอย่างนี้มันเป็นกระบวนการลือถอนขนสงช่วยรูปช่วยนามตมแต่รูปนามมันก็อู่ในความไม่เที่ยง ในความมเที่ยงเกิดจากรูปในความมเที่ยงเกิดจากนามในความมเที่ยงในความเป็นทุกข์เก Ö ิดจากรูปในความเป็นทุกข์เกิดจากนามในความไม่ใช่ตัวตนมีอยู่ในรูปในความไม่ใช่ตัวตนวามีอยู่ในนามมันจึงเป็นขบวนการไปถึงการเกิดการแจรการเจ็บปนตายมันแยกไปจากนี้เหมือนทางสี่แพร่งสองแพร่ง ตั้งเกิดที่เดียวกันต้นที่เดียวกันแต่มันไปคนร้ยแบบทางแต่และปลายทางก็ไปถึงสิ่งที่หมายต่างกันแต่เกิดตรงเดียวกันเกิดที่ลูกที่น้ำนี่แต่เราไม่รู้ใช่ผิดเจอเช่นทางผิดทิศทางผิดเห็นความโกรธเป็นตัวเป็นตนเห็นความทุกข์เป็นตัวเป็นตนตผิด เอาความโกรธว่าเป็นเราโกรธถ้าเราได้โกรธเราแล้ว่าเราจะไม่ลืมเอามายึดไว้เอาความทุกข์เอาความลักเอาความเกลียดชังยึดไว้ว่าเป็นตัวเป็นตนดูความโกรธเสียเปียบความโกเสียเปียบความลักเสียเปียบความเกลียดชังกระทุกกระทืนเจ้าเราความโกรธเป็นบทกระทุกกระทืบตอตับตามภาษาหมอใช่ไหมไม่หมอนะ เวโกรดเป็นผลกระทุกกระทืนต่อตับวดเพียดเป็นผลกระทุกกระท่ำเป็นผลกระทบกระทืนต่อหัวใจครีเอจอยเสมอนี่หัวใจนี่กระทกกรทืบเนีหมอว่าอย่างนั้นก็ไม่ตกกังวลเป็นผลกระทบกโกรต่อเทือนต่อกระเพาะอาหารและปวดไม่ใช่ ก็ว่าอาหารเลม่ามัวเข้าซื่อมช่วยเจ้าหงายเหงาอะไรอววรเป็นความพุทธกเป็นผลก็ทุกกระเทืนอนโตปวดหอว่าอย่างนี้ใช่ไหมเวลาโกรธกินข้าวหิวข้าวไหมเวลาโกรธ อ, อ่ะฮะกินข้าวลงไหมไอ้ขี่เวลาโกรธะฮะกินข้าวลงไหม เป็นผูกรทุกเกินคืนเข้ามาลงนั้นเป็นไปได้กับพะ อ, อาหารไม่มีน้ำย่อยไม่มีน้หลายนั้นมีอย่างนั้นไห ม, ม, ไมเวลาโกรธจินข้าวแช่บอ๊อบนอนหลับบอ๊อบนันก็เป็นอย่างนั้นแหละแอาถึงไมเราไปเอาความกรธมานอนอยู่กับเราข้ามวันข้ามคืนโกรธคืนหนึ่งมีไหมชั่วโมงหนึ่งมีไหมไม่ใช่ บางคนถ้าโกรธได้โกรธจายไม่ลืมเลยทีเดียวไปยึดเอาความโกรธว่าเป็นตัวเป็นตนมันไม่ใช่มันเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับน้ามันให้เราแก้เปลี่ยนได้อยู่เปลี่ยนได้อยู่อนิจจาวรรสังขารความโกรธขึ้นเกิดขึ้นใจเราเล่าเนอเคยได้เยินพระสวดไหม เคยเห็นไหมเขาจาะใลจาะสายศีลสายยุงอนิจจาวรสังฆาเคยผูกศกไปผูกสังฆทานอุปัฏฐาไวยธรรมิโนวจิตตะวันโลชันติเตสังโมปัจโมโชขู เจ้าโกมได้อะไรฮะพระได้อะไรท่านได้อะไรฮะพระท่านได้ได้จีวรได้ปัจจัยไ ด, ได้อะไรต่างๆแต่พระท่านว่าอะไรอันนี้เจ้าสังฆาลขอมโกดเกิดขึ้นแล้วเ <c oughs> จอเรวแล้วเนอะ อุปถาวะจะทำไม่อไปยึดบ่ตัวว่ตาตนกูเสียแล้วอุบคิดตะวันโลชันติเปลี่ยนได้อยู่เหมือนหลังมือเปลี่ยนหน้ามือมันโกรธเปลี่ยนไม่โกรธได้เปลี่ยนได้อยู่มันทุกข์เปลี่ยนไม่ทุกข์ได้อยู่อุบคิดว่าเปลี่ยนได้อยู่เตสงบูปจมโอชกโขเมื่อเปลี่ยนโกรธเป็นไม่โกรธ ไม่เลยทะเลาะกันแล้วถ้าความโกรธพายทะเลาะกันได้ฆ่ากันได้ถ้าทุกคนทุกคนเปลี่ยนจะไม่ทะเลาะกันจะไม่ฆ่ากันทุกคนก็แค่ตรงนี้นี่ว่าเห็นรูปธทมเห็นน้ำทมเห็นธรรมชาติของรูปเป็นธรรมชาติของน้ำเห็นอาการของรูปเห็นอาการของน้ำมันจะเป็นสู่จากนี้เราดูไปดูไปเนี่ยยิ่รกยเห็นมิลกายเห็นเปกาย ต่อไปเห็นเป็นรูปนะเงี้ยเคลื่อนไหวนะรูปนี่ไม่มีมันไม่มีอะไรมม่มีน้ำคลองมันรูปมันทำนี่อะไรมันสั่งอะไรสั่งฮะอะไรสั่งให้รูปทำนี่แล้วหนอบอกให้ให้อันนี้มันวิ่งมานี่ได้ไหมไปเอาไปไปได้ไหมไม่ได้ทำไมไม่ได้มันมีแต่รูปมันไม่มีน้ำ อันนี้อะไรสั่งมันอะไรสั่งมันสั่งให้ทํานี่อะไรสั่งที่สั่งให้มันสั่งให้ทําดีหรือทํำชั่วฮะที่สั่งให้ทํานี่มันสั่งให้ทําดีหรือทำชั่วทำชั่วเออมันทํามันรู้หรือไม่น่ะสั่งเอาปืนมายิงตัวเองมันรู้ไหมรู้มันยิงไหมมันสั่งให้กินยาตาย รูปไหมรูปเนี่ยสังเอาเครื่องมาเฉือนคอตายมันรูปไหมรูปมันไม่รูปอะไรมันเป็นใหญ่นามเป็นใหญ่คือไม่รูปไม้นามอย่างนี้นะเราจึงยังอยู่ที่ไหนล่ะมันอยู่ที่เราเนี่ยครูปนะเพื่อนไว้นี่เป็นรูปเดินไปเนี่ยเป็นรูปนั่งอยู่นี่มันจะทุกอะไรมันสั่งเวลาโลก อะไรมันสังให้นั่งมันนามมาทํามันเป็นรูปเป็นนามมันโกรธเป็นมันทุกข์เป็นในรูปในนามมันเกิดเจ็บเจบตายเป็นเกิดโกรธเกิดขึ้นแล้ววรองโกรธเกิดขึ้นแล้วเป็นพุบหนึ่งเรืองโกรธก็เจอไปเจอไปเจอไปแล้วหมดไปมีใครโกรธไหมอยู่เนี่ยเคยโกรธไหม มันมีไหมความโกรธมันมีชีวิตมีตัวมีตนไหมเราไปถือว่าเราสานมันไม่ใช่ตัวทุกข์ก็ไปถือว่าเราสานอะไรก็ตามไปถือเอาอาการที่มันเกิดกับรูปกับามเป็นตัวเป็นตนถือว่าผิดที่สุดเลยเป็นทุกข์เพราะไปยึดเอาว่าตัวว่าตนถ้าเราไม่เห็นจะแล้ว มันเป็นอาการนิดหน่อยไม่ใช่ตัวใช่ตนรอยรยิ่งเห็นแล้วไม่เป็นนี่ยยอดเยี่ยมที่สุดมันโกรธเห็นมันโกรธไม่เป็นผู้โกรธยอดเยี่ยมมากทำไรทุกคนมันทุกเห็นมันทุกไม่เป็นผู้ทุกมันอะไรเกิดขึ้นมีได้เห็นมันนะเราก็ใช้มันมาน่ย เวลานี้เราใช่กายหรือว่ากายมันใช่เราเวลานี้เราใช่จิตใจหรือว่าจิตใจมันใช่เราอะไรเป็นใหญ่แล้วมีสิทธิใช่ใจไห ม, ไหมจะให้ไปคิดเรื่องนี้จะให้หยุนหยุดใช่ได้ไหมแล้วไม่ฝึก<บ>มันใช่ไม่ได้ไม่อยากคิดมันก็คิดมีบอกมีไหม <laughs> เวลานอนหาเรื่องไปคิดเชันนอนไม่หลับไม่อยากคิดมันก็คิด ถ้าไม่มันคิดมันไม่ได้ถ้าเราไม่หัดเราจึงหัดเนี่ยมันคิดไปกลับมาลูนี่เอาเวลานี่ไม่ใช่มานั่งคิดนะมานั่งรู้สึกตัวรู้เขีนเข้าเหยื่อเขนออกรู้สึตัวมันมีถู้อย่างเนี้ยปฏิเสธตรงนี้เลยชีวิตเราเนี่ยจะปล่อยบไปแล้วเลยรูปทํานาทามันเป็นข่วมชั่วทําชั่วจนตายหลงจนตายกันเลย จะโกรธจนตายจะทุกข์จนตายเยแล้วจะไม่เปลี่ยนเลยถ้าเรามาเปลี่ยนหลงเป็นรูปมันก็เป็นขั้งสุดท้ายตั้งแตนหน่หนุน่มๆตื่นแต่ดึกศึกแต่หนุ่มดีกว่าที่ไปรอมาก่อนจจจะขาดแท่านาทีเหมือพระเจ้าสุโทธทนะมันไม่ใช่แล้ว จะ น, นั่นมันเป็นไแเราจึงมาเอาชีวิตของเราไว้เรามีสิตที่ไม่หลงได้ไหมไ <c ười> ม่ได้ไหมได้ไหมไมีจิตที่ไม่โกรธได้ไหมไมีจิตที่ไม่ทุกข์ได้ไหมทำไงไม่ใช่สิตที่ของโดเราโอยปะแล้วเลยชีวิตของเราทำให้ทุกข์โอมทุกข์ข้ามวันข้ามคืนทำไมจึงเป็นอย่างนั้นนี่หรือมนอุษย์ มนุษย์เป็นเชาประเสริฐประเสริฐตงน้อยถ้าไม่เปลี่ยนตรงนีนะ้ถ้าใครจะสอนก็สอนเรื่อนี้ผู้เจ้าสอนเรื่องนี้เรามีความทุกข์อย่างเอาแล้วมีความทุกข์เป็นบ้าหน้าแล้วรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปไม่ใช่ตัวตนนะเวทนาไม่ใช่ตัวตนนะ สัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนชิงนใดไม่เที่ยงชิ้นั่นเป็นทุกชิ้นใดเป็นทุกชิ้นนั่นไม่ใช่ตัวใช่ตนชิ้นไหนไม่ใช่ตัวตนคว่นหรือที่จะปยึดว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราแล้วยินไหมเราสวดอะแล้วยังไปยึดเดาอยู่มันจริงไหมอันจริงที่เรายึดว่าเรามันจริงไหมมันไม่ฟังเสียงใคร ในความม่เที่ยงเวลาเนี่ยก็ไปของมันอยู่มันไปอยู่ความไม่เที่ยงหล่ตาก็ไหลมาแล้วเกติเจบกลัวปีเกิดเจ็บแปดสิบปีแล้วนั้นไปแล้วมันไม่ออกมาอยู่หล้วอันความม่เที่ยงนะมันไม่ใช่ตัวตนห้ามไม่ได้มันเปีนยงนั้นรูปเนี่ยรูปเป็นไปอย่างนั้ น, น, ปป น, น, น, นไม่ใช่เราแก่ เ, เห็นมันไม่ ใช่ตัวใช่ตนมันเป็นธรรมชาติเป็นอา ก, การของเขาแม้แต่ความโกรธที่มันเกิดขึ้นอุปทานมันก็ไม่เที่ยงมันไม่ได้ยูดไม่พูดในเวลาโกรธไม่ทำจริงใดในเวลาโกรธอย่าให้แนวร่วมมันดูเิมันก็หายลงหายลงหายลงลองดูมีสติไม่พูดในเวลาโ ก, าาโการธ เ, เวลามาโกรธไปพูดอยู่นิ่งหายเจก็้ายเ ความโกรธก็ไม่ไม่กระพือมก็ลดลงลดล ง, ลงปกติได้ลดลงล ง, ลงปกติได้ถ้าเขาไครจะไปโกรธรีบรีบโลนคนโกรธเป็นคนรีบร้อนรีบไปด่ากันกลัวจะหาโกรธกลัวว่าจะไม่ได้ด่ากันบางคนก็งอมตัวเองเพื่อจะให้ มันโกรธเพิ่มขึ้นกล่ว่าก็เราก็ว่าก็เราเราไม่ยอมเราไม่ยอมโมมตัวเองดังนั้นจึงกำล้วเอาชนะเหล่านี้อย่าไปเอาชนะคนอื่นถ้าเอาชนะคนอื่นไม่ประเสริฐเช่นเวลามันโกรธกูได้ไม่ได้มันกูไม่หายโกรธกูไม่ได้ฆ่ามันกูไม่หายโกรธไม่ประเสริฐ อเอาใจมาสอ น, น <c oughs> สอนแล้วใจสอนสอนบุคคลที่เอาใจตนเองชนะคนอื่นลอยข้างันหนไม่เท่าชนะตนแม้ข้างเดียวเวลามันโกนเราห้ามาเราเวลามันทุกข์เราเปลี่ยนเราเวลามันหลงเราเปลี่ยนเราเดีวยกว่าปฏิบัติธรรมประเสริฐจริงๆนะมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐตรงนี้ เปลี่ยนหลงเป็นโล่เปลี่ยนโกรธเป็นโู่เปลี่ยนทุกข์เป็นโล่เปลี่ย น, น, นอะไรเป็นโล่เกิดเจ็บเจ็บตายเป็นโู่มีแต่ภาวะที่โล่มีแต่ภาวะที่เห็นเข้าไปนี่มันทําได้อย่างนี้เรียกว่าพระธรรมอันพระผู้มีภาคเจ้าตัดไปไดีแล้วสันติจิโกอันผู้ศึกษาปฏิบัติบังคับทด้วยตนเองอากาลิโกปฏิบัติได้ให้ผลได้ไมจจาจําจักราร เอหิปัจจิโกควรเชิญให้มาดูมาดูมาดูมาดูเนี่ยไม่หลงเราอยู่อย่าหลงไม่โกรธก็ได้อยู่มาๆมาดูเนดิเอหิปัจจิโกควรน้อมมาใส่ตัวเราเอาความหลงมาใส่เราเวลามันหลงอย่าให้หลงเป็นหลงอย่าให้ทุกข์เป็นทุกข์อย่าให้โกรธเป็นโกรธน้อมความไม่หลงน้อมความไม่โกรธน้อมความไม่ทุกข์มาใส่เราไว้ เจิมปิโกโอปนักโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อืน่นประกาศได้ืม่อมันมีอย่างนี้ปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการผู้ปฏิบัติจึสเซอรละนียอมรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรหนึ่งสมกับการปรฏิบัติใครเหยนรู้มากก็ได้รู้มากสิบสี่จังวะ หนึ่งลู่สองลู่สรลู่สี่ลู่ห้าลู่หกลู่เจลู่แปดลู่เก้าลู่สิบลู่สิบเอ็ดลู่สิบสองลูสิบสามลู่สิบสี่ลูเขีบไม่ไหนทีติ๊ติ๊กติ๊กลูหนึ่งลูวินาทีหนึ่งลู่ทีหนึ่งมันทำได้เนี่ย มันเอามาใช่ให้ลูกอย่าไปใช่ให้หลงแล้วจะใช่กายเร า, างไงใช่ใจยังไงใช่ให้มันหลงก็หลงใช่มาลูกก็รู้มันสอนได้อย่างนี้ว่ามนุษย์หรือว่าคนเราเนะี่ยวินาทีหนึ่งรู้ทีหนึ่งถ้าชั่วโมองหนึ่งก็สามพันหอยวินาทีได้สามพันหร้อยโลปฏิบัติให้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 ภาวนาคือขยันรู้ภาวนาคือขยันรู้ตาวนาพระฤกษ์ตาสังวรตันติอภินญญาญนณิปารยะขยันรู้ขยันรู้ววันที่วิญญเราผ่านมาถึงวันนี้ผ่านมาถึงวันนี้แล้ววางรู้กับละว่างหลงอันไหนมากกว่ากันจำรวปตัวเองดูบ้าง พอมารูอย่างนี้แล้วเออเราเคยรูนีนไหมทึ้งแต่ชีวิตเราผ่านมาน่าจะพิสูจน์ดูเรื่องนี้กันขอท้าทายเรื่องนี้ในคําสอนพระเจ้ามาพิสูจน์ดูมันจะเกิดอะไรขึ้นเราจะเป็นเพื่อนที่นี่ขอเป็นเพื่อนทุกคน ที่ไม่ต้องเช่าองไม่ต้องซื้อจะไม่พาหลงทิศหลงทางตามท่านหลงเปลี่ยนหลงเป็นรูปเนี่ยไปได้ไปได้เลยต่อไปโกรธเป็นรูปทุกเป็นรูง่ายง่ายเหมือนไขกคญเจีเชื่อโซ่หลุดออกจากกายจากเวทนาจากกิจจากธรรมด่านที่มันกักให้เราหลงคือกาย ด่านที่มันกังค่เราลหลงคือเวทนาสุขทุกข์ด่านที่มันกังค่เราลหลงคือความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจด่านความคิดที่ตั้งใจก็มีแต่ว่าเป็นวิชาความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจเปิดสังขารเป็นอวิชาเปลี่ยนลองดูด่านอันหนึ่งคืออารมณ์เรียกว่าธรรมอารมณ์ มันเข้างมทั้งกายทั้งใจมันจะหลงตรงนี้สีด่านถ้าไม่หลงสีด่านนี่ไปได้จึงมาเริ่มต้นกับตรงนี้ทุกคนมีกายทุกคนมีเวทนาะให้มีสติเห็นมันจะเจอศึกษาที่แรกจะเจอความหลงคือความรู้มีหลงมีรู้ทุกคนเราเจตนาจะรู้ที่กาย มันจะมีหลงที่นี่แล้วก็หลังเราจะได้เปลี่ยนไปแล้มันไม่ฟรีมันมีงานทำอยู่ได้มีความรู้ก็ได้ความรู้พิกมือขึ้นรู้ว่ามือลงรู้ทันทีไม่ต้องรอถ้าเป็นมากเป็นผลก็เป็นอยู่นี่เป็นกรรมที่นี่กรรมที่มีผลสร้างความรู้ก็ได้ความรู้เปลี่ยนรูปเป็นหลงเป็นรู้ก็เป็นผลขึ้นมา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 ว, ดวัดในบงไทยศาสนาพุทธในวางไทยพระสงฆ์ในวางไทยคมสอนพระเจ้าเอา ม, มาพิสูจน์ให้มันเป็นเรื่องของเราโน้มมาใส่เรามันก็ไปยกากคมสอนที่คุณพระเจ้าก็าจะบอกก็มีอยู่เพียงสีอย่างอะไรบ้างไม่คีดน่อยคุณของพระเจ้าสีอย่างอะไรบ้าง หนึ่งเมตตาที่คุณนำหน้าเลยทีเดียวสองการรู้หนังสือที่คุณสามบริสุทธิ์ที่คุณสีปัญญาที่คุณสีอย่างนี่ไปใหญ่เลยเมตตาที่คุณคิดเชิงใดทำเชิงใดพูดเชิงใดประกอบด้วยเมตตาสร้างความรักมองอะไมีความรักและทุกอย่างไม่มีขอบเขต ผู้เขาแม่น้าจะขวงขัน้นความรักเราไม่ได้เมตตาที่คุณเมตตากุณาคิดจะช่วยเหลือทุกอย่างไปไกลการรุณาที่คุณจะช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ก็คิดจะช่วยสเสมอบริสุทธิ์ุกคนรู้ขวางบริสุทธิใจบุกเบิกไปเลย ปัญญาที่คนรอบรู้รู้จักไปได้เลยจิตใจเบิกบานเมตตากรุณาจิตใจเบิกบานเสียชละปัญญาคือเสียสละอารมณ์น่เปลี่ยนไล่เป็นดีทั้งหมดเปลี่ยนไล่ไปดีทั้งหมดเมตตาที่คนกรุณาที่คนบริสุทธิ์ที่คนปัญญาที่คนหลัวมหากรุณาที่คนอันยิ่งใหญ่ มีอยู่ที่ใจของเราเนียนี่คุณที่มันมีอยู่ในพระเจ้าไม่ใช่มีอยู่ในพระเจ้าให้เป็นเรื่องของเราทําได้ทุกคนอย่าจนเรงนี่กันพวกเรานี่คิดสิ่งใดประกอบด้วยเบตตาทำสิ่งใดประกอบด้วยเบตตาคิดสิ่งใดประกอบด้วยเบตตาทั้งต่อหน้าและหลังของสรรพสิ่งทุกอย่างในโลกนี่ไม่มีข้อเขต มันเกิดอะไรขึ้นถ้าเรามามีคุณธรรมคุณธรรมสีอย่างนี่มันจะเห็นเราแข็นใจกันมันจะเบียดเบียนตนไม่ได้สงสารตัวเราไม่เคยช่วยตัวเราเลยอายุที่สิบสามสิบปีพอม่เห็นเรื่องนี้แล้วน้าตาซึมเลยพ่อเก็ไม่ได้สอนเราเนี่ยแม่ไม่ได้สอนเราเนี่ยหลวงปู่เทียนมาสอนให้เรารู้ตรงนี้ อะไรจะตื้อหรือล้อนช่วยตัวเองนะเชื่อนะแต่ก่อนไม่มีชีวิตชีวาชีวิตของเรามันก็ไม่เป็นอะไรมันช่วยได้มันไม่ฟูไม่ไม่มแฟดไปนั้นนี่นี่นคือชีวิตของเราวิวิตของเราไม่ไม่เป็นอะไรไมีแต่เห็นธรรมชาติเห็นอาการนี่มันเกิดขึ้น มันก็เข้าสู่การที่เหลือเก่ยเหลือเกิดเหือนเก่ยเหลือนเจ็บเดริตใจที่เราเกิดทำของเราเนี่ยไม่ใช่ไปอยู่ที่ไหนนนั้นนี่ก็อนโมธนากับท่านทั้งหลายที่เมือถึงที่นี่ก็จะบอกจากนี้จะพูดจากนี้เป็นเพื่อนไม่ใช่มาสอนให้ท่านมาเชื่อสอนให้ท่านช่วยตัวเอง อย่ามาพึ่งเราอย่ามาเชื่อเราให้ช่วยตัวเองให้พึ่งตัวเอ ง, ง, เองที่เป็นจัิยธรรมคำสอนไดที่สอนให้พึ่งคนอื่นไม่ใช่จัจยธรรมต้องเชื่อการกระทำของเราเราเปลี่ยนหลงเป็นรูน่เนี่ยเปลี่ยนโกรธเป็นรูนี่เนี้ยเนียเอาตรงนี้ละ่ะไอ้ทาเอาเองทำเอาเอ ง, เองนะสมควรเจรจากับพระพร้อมกัน